สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพระเจอผีทุกท่านนะคะพอดีว่าบีเองมีโอกาสได้ไปเที่ยวที่จังหวัดนครนายกค่ะแล้วก็ได้ไปเที่ยวที่น้ำตกวังตะไคร้แล้วก็อีกหลายๆน้ำตกนะไม่ว่าจะเป็นน้ำตกนางรองหรือว่าจะเป็นน้ำตกสาริกาก็เลยมีความรู้สึกว่าเอบรรยากาศแบบนี้ ในเวลาพักตอนกลางคืนแบบนี้น่าจะมีสิ่งเร้นลับที่มองไม่เห็นด้วยตาหรือที่เราเรียกกันว่าผีนั่นเองบีเอก็เลยพยายามเซิร์ชหาข้อมูลใน Google นะคะจนประทั่งไปเจอเจอกับเรื่องราวเหล่านี้ที่เป็นกระทู้ในพันทิปนำมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะเป็นเรื่องราวจากกระทู้ของสมาชิกเว็บไซต์พันทิปนะคะที่ชื่อว่า NYX Memory นะคะซึ่งถูกโพสต์ลงตั้งแต่วันที่10มิถุนายน2558ก็ขออนุญาตนำมาเล่าให้ฟังกันละกันเป็นเรื่องสั้นๆนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะเข้าเรื่องเลยนะคะอาจจะไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่แต่ว่าอยากแชร์ให้เพื่อนๆ อ, อ่านให้เพื่อนๆฟังคือตัวเราเนี่ยเองเป็นคนที่ชอบเรื่องผีอยู่แล้วชอบอ่านชอบดูแต่ถามว่ากลัวไหมบอกได้เลยเหรว่ากลัว ได้ยินเสียงแปลกๆก็เริ่มระแวงและวจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งได้นั่งคุยกันกับคุณพ่อก็เปิดกระทู้เรื่องผีของพันธิบให้พ่ออ่านนี่แหละก็คุยกันไปคุยกันมาก็เลยถามพ่อว่าพ่อเคยเจออะไรแบบพวกนี้บ้างไหมพ่อเองก็ตอบว่าเคยแล้วพ่อเองก็ยังบอกต่ออีกเนะะีบอกว่าพ่อเนี่ยมีความรู้สึกแล้วก็มีเซนด้านนี้บ้างพอสมควรพ่อก็เลยเล่าให้ฟัง เรื่องมีอยู่ว่าสมัยอายุ 16-17 ปีที่โรงเรียนของพ่อเนี่ยก็มีการจัดพัศนศึกษาโดยจะเดินทางไปที่น้ำตกนางรองค่ะก็เอ่ยชื่อเลยก็แล้วกันนะเพราะว่าผ่านมานานมากแล้วไม่น่ามีอะไรแล้วก็ที่น้ำตกวังตะไคร้นคะก็ตามประษาวัยรุ่ น, นี่แหละจะมีกลุ่มเที่ยวไปไหนมาไหนด้วยกันเป็นปกติค่ะซึ่งกลุ่มของพ่อเนี่ยจะมีประมาณ 5-6 คนโดยจะมีอยู่คนหนึ่งที่ชื่อว่าเล็กเป็นผู้หญิง ขาไม่ขาไปก็ไม่มีอะไรทุกคนก็เล่นกันอย่างสนุกสนานปกตินะะีคะที่น้าตกนางรองขากลับก็กลับที่พักค้างคืนก่อนจะไปวังตะไคร้ในตอนเช้าของพรุ่งนี้แล้วก็มีการเช็คชื่อก่อนออกรถก็ปรากฏนค ะ, ะว่าคนครบค่ะก็เลยออกเดินทางไปที่พัก คืนแรกผ่านไปจนมาคืนที่2เดินทางไปที่น้ําตกวังตะใครต่อโดยพ่อกับเพื่อนเนี่ยอีกคนหนึ่งที่เรียกว่า A อละกันเพราะว่าจําจไม่ได้ว่าเพื่อนพ่อคนนั้นชื่ออะไรก็ไปเล่นน้ํากับเล็กโดยพ่อเล่าอีกว่าแม้เล็กจะอยู่ในกลุ่มแต่ว่าจะเป็นคนที่ค่อนขาา้างจะขี้เหงาสักเล็กน้อยก็ชอบเล่นคนเดียวโลกส่วนตัวสูงอยู่นิดนึงโดยที่พ่อบอกกับ A บอกว่ากำลังจะไปเล่นน้ำกับเล็กโดยที่เล็กนั่งอยู่บนโขดหินที่น้ำตกแต่เล็กบอกว่าเล่นก่อนเลยพอดีอยากอยู่คนเดียวพ่อกับเอ ก, ก็เลยตอบอะตกลงโอเคงั้นเล่นกับเอสองคนก็ได้จนกระทั่งตกเย็นค่ะก็มีการเช็คชื่อคนอีกรอบหนึ่งซึ่งรอบนี้คนไม่ครบค่ะอีกคนไปไหน สรุปว่าเล็กหายค่ะคุณผู้ฟังทุกคนก็ช่วยกันตามหาแต่ว่าไม่พบทางด้านคุณครูก็เลยโทรแจ้งตำรวจแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ตำรวจฝ่ายสืบสวนได้ไปสำรวจนะคะก่อนจะเดินทางกลับไม่ถึงสองวัน ตอนเย็นที่พ่ออยู่บ้านก็ได้ข่าวจากทางเพื่อนๆแล้วก็คุณครูบอกว่าเจอเล็กแล้วแต่ว่าสภาพเนี่ยกลายเป็นศพที่จมน้ำพ่อก็ช็อกไปพักหนึ่งแต่ว่ามันไม่จบแค่นั้นนะคะเพราะตารวจบอกอแล้วก็คุณครูนะคะแจ้งข้อมูลมาว่าเจอศพเล็กจมน้ำเสียชีวิตที่น้ำตกนางรองค่ะไม่ได้เสียชีวิตที่น้าตกวังตะไคร้พ่อบอกว่าคืนนั้นนอนแทบไม่หลับกว่าจะหลับก็เช้าแล้ว จนวันต่อมาก็มีงานศพของเล็กพ่อแล้วก็เพื่อนๆก็ไปกันโดยคุณเอเนี่ยก็บอกว่าตอนที่ครูเช็คชื่อที่น้ำตกนางรองเอเห็นเล็กนั่งอยู่แต่ว่าเป็นสภาพตัวเปียกไม่พูดไม่จาถามก็ไม่ตอบทุกคนนี่ขนลุกกันเป็นแถบค่ะจนกระทั่งวันเผา พ่อได้กลิ่นเป็นกลิ่นคล้ายๆกันกับกากมะพร้าวแห้งๆเปียกน้ำเป็นกลิ่นชื้นๆนะคะลอยมาจากที่เผาศพลอยมาจากเมนที่ลงศพของเล็กตั้งอยู่ซึ่งก็อยู่ไกลาจากที่พ่อกับเพื่อนๆยืนมากและทีนี้เนี่ยก่อนเผาก็มีการเปิดลงศพให้ดูเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งก็ไม่ทราบว่าพ่อกับเพื่อนเราเนี่ยไปดูได้ยังไงนะคะเพราะว่าปกติเขาให้แค่ ญ, ญาติของผู้เสียชีวิตดู พ่อบอกว่าตอนเปิดโลงนี่ชัดมากกลิ่นเดียวกันกับที่พ่อได้กลิ่นตอนยืนอยู่ข้างล่างแล้วพ่อเผาเสร็จก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรต่อที่น่ากลัวก็คือคืนแรกที่ไปพักทุกคนเห็นเล็กค่ะแค่บางส่วนนะคะเพราะว่าเขาแยกนอนนะคะแล้วก็วันที่2เล็กตอบพ่อแล้วก็เอว่าอยากอยู่คนเดียวนะคะแต่ว่าจริงๆคือเสียชีวิตที่น้ําตกนางรองไปแล้ว ไม่ได้เสียชีวิตที่น้ำตกวังตะไคร้นะฮะแต่ว่ามาที่น้ำตกวังตะไคร้ด้วยกันกับทั้งขบวนรถที่ไปทัศนศึกษานั่นเองนะคะอ่ะขอบคุณเรื่องเล่าเรื่องนี้จากเว็บไซต์พันทิปดอ m คอมด้วยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะบีเองก็ขออนุญาตนำเรื่องราวที่อยู่ในเว็บไซต์พันทิปนะคะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันตลอดทั้งคลิปเลยกันล้วกันแล้วก็ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่คลิปแรกค่ะที่บอกว่าไปเที่ยวน้ำตกมาแล้วก็ไปแอบคิดว่าเอออาจจะมีอาถรรพ์อาจจะมีสิ่งลี้ลับอะไรต่างๆนานาก็พยายามหาข้อมูลว่าเอ๊มีใครที่ไปเจอเรื่องราวเหล่านี้มาบ้างแล้วก็นามาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังบ้าง ตัวของ BN แล้วก็ช่องพระเจอผีน่ะคะก็ขออนุญาตค่ะกราบขออนุญาตเจ้าของกระทู้นนะคะนำเอาเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมาออกอากาศเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพื่อความบันเทิงกันนะคะทีนี้เป็นเรื่องราวของเจ้าของกระทุ้ที่ใช้ชื่อว่าของเล่นสีชมพูค่ะเป็นเรื่องราวที่จัวหัวได้น่ากลัวพอสมควรเสียงเรียกจากน้าตกถ้ากว่าใครที่ตามกระทู้ของ อของเล่นสีชมพูในเว็บไซต์พันทิพนะคะก็จะทราบกันดีนะคะว่าเจ้าของกระทูเองเนี่ยย้ายมาเรียนที่กรุงเทพตอนม .5 ซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงปิดเทอมพอดีนะคะแม่กับพ่อก็ลงมาหาที่กรุงเทพค่ะวันนั้นก็ตกลงกันว่าอืมไหนๆก็รวมตัวกันละจะไปเที่ยวที่ไหนกันแม่ก็เลยโทรหาบรรดาญาติญาติที่ทํางานที่กรุงเทพเพื่อจะนัดไปเที่ยวกันค่ะก็เลยตกลงกันว่าจะไปเที่ยวน้ําตกแห่งหนึ่งในจังหวัดนครนายกเพราะว่าใกล้ที่สุด เมื่อถึงวันก็ขึ้นรถนะ้าก็ไปกันค่ะนะ้าเป็นคนขับรถตู้แล้วก็นั่งกันประมาณสิบกว่าคน รถตู้คันหนึ่งพอดีก็เต็มพอดีค่ะจำได้ว่านั่งติดกับพี่บีจำได้ใช่ไหมคะในรถมีเด็กอยู่สองคนซึ่งเป็นหลานฝาแฝดของเขาชื่อป๊อกกับป๊อเป็นผู้ชายทั้งคู่ค่ะตอนนั้นก็อายุเท่าไหร่จำไม่ได้เด็กก็สนกันตามประสาเด็กผู้ชายวัยใกล้เคียงก็จะมีพี่บีพี่ฟางพี่บุ๋มซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องและก็มีพี่บอยอันนี้ก็จะเป็นพี่ชายเจ้าแฝดนะคะ ก็นั่งอยู่บนรถก็ร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานสักพักหนึ่งก็นอนหลับตื่นมาถึงน้ำตกแล้วไม่รู้ด้วยซ้ำว่าที่นี่ที่ไหนเพราะไม่มีใครพูดถึงชื่อของสถานที่ที่จะไปแค่บอกว่าจะไปน้ำตกก็แค่นั้นเองก็เลยลงจากรถนะคะเด็กๆ ก, ก็วิ่งไป ร, บรอบๆด้วยความดีใจแม่บอกใหพก้พวกเราทุกคนเนี่ยเอาเสือไปจับจองที่นั่งวันนั้นคนเยอะมากค่ะเป็นช่วงวันหยุดด้วย ก็เลยไปหาที่นั่งกันแล้วก็ตามประษาคนอีสานเนาะเวลาไปพักผ่อนที่ไหนกันขาดไม่ได้เลยค่ะเครื่องมือตําส้มตําก็ช่วยกันตําช่วยกันขนจนเสร็จเรียบร้อยก็เปลี่ยนเสื้อผ้าลงเล่นน้ํากันหลังจากเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จก็เดินไปเอาห่วงยางให้กับเจ้าแฝดซึ่งในขณะนั้นนะคะที่พวกพี่ๆลงไปเล่นน้ํากันอย่างสนุกสนานเนี่ยเจ้าของกระทูเองก็จะเดินลงไปเล่นน้ําด้วยเขาก็เห็นผู้ชายคนนึงอยู่ในกลุ่มของพี่เขา ก็เพ่งมองอยู่นานก็มีกันห้าคนนะถ้ารวมตัวของเจ้าของกระทูด้วยมีผู้ชายคนเดียวอ้าวและผู้ชายอีกคนนึงเป็นใครแต่ว่าระหว่างที่ยืนมองอยู่ก็รู้สึกเหมือนมีใครผลักตกน้ำไปนะคะหันมาอีกทีนึงอ้าวไอ้สองแฝดยืนหัวเราะกันใหญ่ด้วยความที่โมโหก็เลยไม่ให้ห่วงยางที่เช่ามาก็เลยลอยตัวในห่วงยางหน้าตาเฉยค่ะไม่สนใจเสียงร้องเรียกของเด็ก ก็เลยลอยไปถึงไหนก็ไม่รู้เจ้าแฝดร้องไห้เพราะว่าถูกแกลง้งก็เลยหันไปจะเอาห่วงยางไปให้ก็เห็นป๊อกยืนร้องไห้อยู่เห็นป๊อกวิ่งไปด้วยความรู้สึกผิดก็เลยเรียกป๊อกป๊อกไปไหนมานี่พี่เอาให้แล้วสิ้นเสียงก็มีเสียงขานรับอยู่ข้างๆอะไรพี่ทีป๊อกอยู่นี่ไงก็เลยหันไปเจอป๊อกอยู่ข้างๆเอาเฮ้ยมาได้ไงเมื่อกี้วิ่งร้องไห้ไปอ่ะป๊อก เราหันไปหาปอกที่ยืนเช็ดน้ําตาอยู่ข้างๆน้ําตกปอกพูดด้วยความโมโหจะมีใครล่ะก็ยืนอยู่คนเดียวเนี่ยผีหลอกละมัง้งเจ้าของกระทู้บอกพูดบ้าอะไรมาๆลงมาอะแล้วก็เล่นอยู่ตรงนี้นะใกล้ๆแม่ตรงที่พี่เล่นเนี่ยมันอันตรายก็เลยยืนห่วงยางให้เด็กๆแล้วก็หันหลังเดินไปหาพวกพี่ๆแต่ว่าประโยคมันก้องมาเข้าในหูค่ะคาว่าผีหลอกละมัง้ง ก็เลยคิดในใจว่าอ่ะขอละ่ะอย่าให้ได้เจอเห็นอะไรอีกเลยขอเที่ยวแบบสนุกๆเถอะก็เดินไปเรื่อยๆค่ะอันที่จริงมันก็ไม่ไกลนะแต่ว่าเดินในน้ำเหมือนมันไกลมากพี่บีเนี่ยก็จับตัวเจ้าของกระทูไว้สะดุ้งเลยค่ะไอทีเป็นไรเดินเมื่อเดี๋ยวก็เตะก้อนหินหรอกอ๋อเปล่าจะคิดอะไรนิดหน่อยทีนี้เนี่ยเจ้าของกระทูเนี่ยก็เดินไปกับพี่บี ก็ยังเห็นผู้ชายคนนั้นอยู่นะคะแต่ว่าพอเดินเข้าไปกากาใกล้ๆใกล้จะถึงแล้วผู้ชายคนนั้นเนี่ยเขาวิ่งค่ะวิ่งเร็วมากแล้วก็หายไปในผู้คนที่เล่นน้ํากันอยู่คืออันที่จริงมันก็ไม่น่าแปลกนะคะแต่ว่าเราคิดว่ามันแปลกตรงที่ว่าทําไมวิ่งได้เร็วขนาดนั้นวิ่งเหมือนวิ่งแข่งบนถนนธรรมดานั่นมันในน้ำนะแล้วก็ความสูงก็ประมาณเอวค่ะแต่ว่าเขาวิ่งแบบน้ําไม่กระจายสักนิด ไอ้เราก็คิดในทางที่ดีเพราะไม่อยากจะเจออีกเราก็เลยคิดว่าเออบ้านเขาคงอยู่แถวนี้คงวิ่งชนชินละมั้งโลกสวยค่ะตอนนั้นก็เลยถามพี่บีในทางอ้อมๆว่าพี่บีเล่นอยู่กันแค่นี้เหรอพวกน้าๆไปไหนพี่บีบอกพี่ก็เล่นกันอยู่4คนนี่แหละตั้งนานแล้วพวกผู้ใหญ่เขาทำอะไรกินกันมัง้งอ๋อลืมต่อไปในใจก็คือนั่นไง กูว่าและไม่เคยพลาดเราไม่มีความสุขในการเล่นน้ำเลยค่ะกังวลตลอดแต่ว่าเรื่องเรามันไม่ได้จบอยู่แค่นั้นนะคะเจ้าของกระทู้ยังบอกว่าเราเล่นน้ำกันไปสักพักหนึ่งก็ขึ้นไปนั่งบนโขดหินค่ะพวกพี่ๆก็ดูสนุกสนานกันแต่มีแต่เราคนเดียวนี่แหละที่เครียดกับการมาครั้งนี้เพราะว่าต้องมาคอยลุ้นอีกว่าจะเจออะไรอีกหรือเปล่า ก็เลยเลิกคิดไปพักหนึ่งนั่งดูพวกพี่ๆเล่นน้าก็รู้สึกเหมือนมีคนมาจับไหล่หันไปมองก็ไม่มีใครมีแต่เจ้าสองแฝดเนี่ยเล่นน้ำอยู่ติดฝั่งซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่จะวิ่งมาแล้วก็วิ่งกลับในเวลาแค่นั้นนะคะในใจก็คิดว่าเออแค่ลมพัดแล้วก็มโนไปเองทีนี้ก็เลยลงจากก้อนหินมายืนอยู่ในวงของพี่ๆ ก็เลยหันไปมองรอบๆก็เห็นพี่ฟางค่ะเดินไปไกลจากพวกเราตรงหน้าพี่ฟางไม่ถึง5เมตรเป็นชั้นล่างของน้ําตกแล้วก็เลยถามพี่บีว่าพี่ฟางไปทําอะไรตรงนู้นพี่บีก็เลยเรียกบอกฟางฟางไปทําอะไรวะพี่บีเรียกเสียงดังขึ้นเรื่อยๆทุกคนก็เลยหันมามองแต่ว่าพี่ฟางเหมือนไม่ได้ยินนะคะก็ยังคงเดินต่อไปพี่บอยก็เลยรีบวิ่งไปดึงแขนพี่ฟางมาเพราะเห็นท่าไม่ดีนะคะพี่บอยพาพี่ฟางเดินกลับมา พี่ฟางถามพวกเราว่ามั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อกี้เห็นเรียกไปเล่นตรงนู้นเดินกลับมาแล้วทําไมไม่บอกพี่บุ๋มด้วยความที่สนิทกันก็เลยเรียกว่าอ่าก็เลยพูดไปบอกเรียกอะไรล่ะก็อยู่ตรงนี้เนี่ยหันมาอีกทีก็เจอเดินไปนู่นละเดี๋ยวก็ตกน้ําตายหรอกพี่ฟางสีหน้าหงุดหงิดมากเลยค่ะพูดบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยยังเห็นกวักมือเรียกกันอยู่เลยจะเป็นไปได้ยังไงเรากับพี่บีก็พอจะรู้ะนะ้องว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยมองหน้ากันแล้วก็พยักหน้าใส่กันแล้วพูดว่าป่เลิกเล่น แค่นั้นล่ะเรากับพี่บีก็เลยเดินกอดแขนกันแน่นรีบเดินขึ้นฝั่งพวกเราทุกคนเดินขึ้นจากฝั่งแล้วยกเว้นพี่บุ๋มนะคะนางไปเจอหนุ่มนางก็เลยอยู่ต่อร้ายกาจมากนะคะพวกเราก็เลยขึ้นมากินข้าวกันอย่างอเดตอร่อยค่ะเจ้าสองแปดก็เล่นน้ําจนเพียก็หลับไปพอตกเย็นทุกคนที่มาเที่ยวก็ทยอยกลับบ้านพวกเราก็เก็บของเตรียมตัวจะกลับเพราะว่าเริ่มมืดละพวกเราขึ้นไปนั่งบนรถแต่ว่าอยู่ดีๆเหมือนได้ยินเสียงคนเรียกบอกว่าที่ที่มาเล่นตรงนี้ เสียงนั้นเนี่ยมันคล้ายกับเสียงพี่บุ๋มเราก็นึกว่าเอ๊พี่บุ๋มนางยังไม่ขึ้นมาหรอเราก็เลยมองไปข้างนอกรถเห็นผู้หญิงยืนกวางมือเรียกใต้ต้นไม้ในที่มืดนะะีคะในใจนึงก็นึกถึงพี่บุ๋มว่าอีกอาว่าแกยังไม่ขึ้นมาจากน้ําแต่ว่าในใจนึงก็คิดว่าไม่ใช่แน่ๆเราก็เลยเอนเบาไปข้างหลังแล้วก็นอนเลยค่ะไม่อยากลุกขึ้นมาอีกในใจก็คิดว่าเอาวะข้างในรถนี่มีพระทําอะไรเราไม่ได้หรอกพักหนึ่งพี่บอยพูดขึ้นว่าไอ้บุ๋มไปไหนของมันวะ ไอ้บีกับไอ้ทีไปตามมันมาสิสงสัยอยู่กับไอ้นั่นแน่ๆก็เลยรีบปฏิเสธเลยค่ะเพราะกลัวพี่บีลงไปคนเดียวค่ะ ก็เป็นห่วงพี่สาวเหมือนกันก็เลยตัดสินใจเดินตามไปด้วยตามคาดค่ะไปเจอพี่บุ๋มคุยอยู่กับผู้ชายคนนั้นจริงๆพี่บีก็เลยเรียกให้กลับบ้านพอเรากําลังจะหันกลับไปขึ้นรถก็รู้สึกเหมือนยังมีคนเล่นน้ําตกอยู่ก็เลยหันไปดูชัดเจนเลยมีคนเล่นน้ําตกอยู่จริงๆเป็นคนกลุ่มเดียวกันกับที่เราเห็นกวักมือเรียกเราเราก็จับมือพี่บีแล้ววิ่งขึ้นรถเลยเมื่อทุกคนถึงรถแล้วนะคะรถก็ออกทันทีเห็นป้ายตรงทางน้ําตกเขียนว่า น้ำตกวังตะไคร้เราก็เลยเฉยๆคิดแค่ว่าเออจะไม่มาอีกแล้วเราไม่ได้เล่าให้ใครฟังเลยกับสิ่งที่เจอจนกระทั่งเปิดเทอมค่ะก็เลยได้ทำรายงานเป็นกลุ่มนะคะเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวมีเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มนี้นางถามว่าปิดเทอมไปไหนมาก็เลยบอกว่าไปน้ําตกที่นคร น, นายกมันก็เลยถามต่อว่าวังตะไคร้ปะก็เลยบอกอืมมันก็เลยถามต่อว่าถ่ายรูปมาบ้างไหม เราก็เลยบอกว่าก็มีถ่ายบ้างนะกับพวกพี่ๆเรานี่แหละน่าจะถ่ายมาบ้างแหละมันบอกว่าเพื่อนๆที่ทำเรื่องนี้แหละน้ำตกวังตะครเนี่ยมีรูปแล้วไม่ต้องไปหาแล้วนางก็ยิ้มเพื่อนในกลุ่มเนีดีใจกันใหญ่ค่ะที่จะไม่ต้องทำอะไรเยอะหน้าที่ของเราคือรวบรวมรูปถ่ายที่พี่ๆถ่ายมาได้นะคะเพื่อนๆก็แยกย้ายกันไปหาข้อมูล เมื่อวันที่ต้องรวมเล่มรายงานมาถึงก็เอาข้อมูลมารวมกันเราก็อ่านเรื่องเพื่อที่จะได้พรีเซนต์แต่ว่าเห็นกระดาษสองแผ่นอยู่นอกเล่มรายงานนะคะก็เลยถามเพื่อนว่านี่อะไรทําไมไม่รวมเล่มเพื่อนก็เลยหาข้อมูลในพูดนี้ขึ้นบอกอพูดขึ้นมาบอกว่าอ๋อว่าจะเอามาให้อ่าน พอกลับไปเล่าให้พ่อฟังจะทำเรื่องแบบนี้พ่อบอกว่าที่น้ำตกวังตาคลายเนี่ยมันเคยมีภัยที่บัตรทางธรรมชาติด้วยก็เลยไปหามาแต่ไม่อยากจะเอามาเข้าเล่มแล้วก็เลยถามว่าเอาทำไมหยิบขึ้นมาอ่าน ครอความมีดังนี้เขาบอกว่าวิบัติภัยครั้งร้ายแรงเกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายของวันที่25กันยายน2537ขณะที่นักท่องเที่ยวกําลังเพลิดเพลินกับการเล่นน้ําอย่างสนุกสนานที่น้ําตกในอุทยานวังตะไคร้แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมใกล้กรุงเทพได้เกิดเกิดคลื่นน้ําป่าขนาดมหึมาพัดพาทุกอย่างอย่างบ้าคลั่งรวมทั้งชีวิตผู้คนนับร้อยถูกสายน้ํากลืนหายไปในช่วงพริบตาและ21ชีวิตต้องสังเวยกับเหตุการณ์นี้ เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเวลา14นาฬิกาขณะที่นักท่องเที่ยวกำลังเพลิดเพลินกับสายน้ำของน้ำตกวังตะไคร้ เพียงแค่เสี้ยววินาทีน้ำป่าสีแดงเหมือนเลือดก็ไหลบ่าเข้ามาอย่างรุนแรงจนนำไปสู่ความโกลาหลและโศกนาฏกรรมในที่สุดขณะเกิดเหตุชาวบ้านในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ต่างให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ติดอยู่บริเวณโขดหินรวมถึงที่ลอยคอตามแรงของน้ำป่าและนี่เป็นแนวทางการช่วยเหลือที่เสี่ยงชีวิตของเจ้าหน้าที่ไม่น้อยเพราะกระแสน้ำก็พร้อมจะพัดพาเจ้าหน้าที่ขณะให้ความช่วยเหลือเช่นเดียวกันหลังจากน้ำป่าสงบลงก็มีนักท่อง เที่ยวศูนย์หายอีกเป็นจำนวนมากแม้จะสิ้นแสงในวันโศกน่าตรรมแต่เจ้าหน้าที่ยังมีความหวังที่จะค้นหาผู้รอดชีวิตเพียงแต่สิ่งที่ปรากฏกับร่างที่ถูกน้ำปากลืนวิญญาณอ่านถึงแค่นี้ค่ะน้ำตาไหลเลยเพราะว่าสงสารผู้คนเหล่านั้นจับใจเพราะเหตุผล ที่พวกเขายังอยู่คงเป็นเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาที่แท้จริงของพวกเขาซึ่งปัจจุบันเราเชื่อนะคะว่าอาจจะมีวิญญาณบางดวงอยู่นะที่ยังคงวนเวียนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะเจ้าของกระทูกก็เลยบอกว่าเวลาตักบาตร ท, ทาบุญก็เลยไม่เคยพลาดที่จะอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาเหล่านั้นเลยนี่ก็เป็นเรื่องที่นํามาจากเว็บไซต์พันทิปของเจ้าของกระทูที่มีชื่อว่าของเล่นสีชมพูนะคะเรื่องสุดท้ายสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นเรื่อง ผีสาวที่วังตะใครค่ะเมื่อเกือบ20ปีที่ผ่านมานกเป็นลูกสาวคนสุดท้องของครอบครัวคนจีนค่ะอาศัยอยู่ที่บ้านไม้สองชั้นหลังเก่ากับแม่สองคนในใจกลางกรุงเทพมหานคร อยู่ดีๆก็มีเสียงกรีดร้องโหยหวนพร้อมเสียง ด, าด่าทอบุพการีของหญิงสาวทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนมีให้ได้ยินไม่เว้นวันในช่วงสองสเดือนที่ผ่านมานะคะภาพหญิงสาวผมสั้นแค่คอนั่งส่องกระจกพร้อมกับหวีผมของตัวเองแต่ว่าภาพที่คนเป็นแม่เห็นกลับกลายเป็นหญิงสาวหวีผมเลยลงมาถึงหน้าอกค่ะหวีแบบเชื่องช้าหวีลากลงมายาวๆพร้อมกับเรียกลูกบอกนก ok, มากินข้าวลูก หญิงชาราเนี่เรียกขานลูกนะคะเรียกพร้อมกับเดินเข้าไปจูงออกมาจากหน้ากระจกร่างกายของนกเนี่ยแข็งขืนพร้อมส่งเสียงด่าทอใครเป็นลูกมึงกูไม่กินกูไม่หิวออกไปให้พ้นเสียงเหล่านี้คนรอบข้างได้ยินจนเกิดเกือบเกิดความเคยชินนะคะในเช้าวันหนึ่งหญิงชาราก็ได้พาลูกสาวออกมาตักบาทถวายข้าวให้พระสงฆ์ที่เดินบิณฑบาตหน้าบ้านทุกวัน หญิงสาวที่ชื่อนกก็ทำตาขวางใส่ทุกสิ่งที่ขวางหน้าควรเป็นแม่ก็พยายามรังร่างนกให้นั่งลงจับมือพนมไหวเพื่อขอพรต่อหน้าพระสงฆ์เสียงของนอกกรีดร้องหหยหวนพร้อมกับเดินอารวาสใส่ผู้คนค่ะที่เดินมาข้างบ้านบ้างที่มารอตักบาตบ้างต่างก็ส่งเสียงวิพากษวิจารณ์ถึงอาการไม่ปกติของหญิงสาวหญิงชราเพื่อนบ้านออกความเห็นว่าน่าจะมีสิ่งลึกลับหรือสิ่งที่ไม่มีตัวตน ทำให้นกเป็นเช่นนี้คําแนะนำต่อมาของเพื่อนบ้านค่ะก็คือให้พาหญิงสาวเนี่ยไปหาร่างทรงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านแถวนั้นเคารพนับถือเรื่องบางเรื่องก็ไม่น่าเชื่อคือถ้าไม่เห็นด้วยตาตัวเองแต่ว่าด้วยความที่เป็นแม่แล้วก็รักลูกอย่างสุดหัวใจทำให้หญิงจราพาลูกสาวเนี่ยไปหาร่างทรง ท, รงที่ชาวบ้านแนะนามึงเป็นใครมาจากไหน เป็นเสียงร่างส่งถามที่ส่งเสียงออกมาถามจากร่างหญิงสาวที่อยู่ตรงหน้านะคะร่างนั้นไม่ตอบค่ะกลับส่งสายตาขวางใส่พร้อมเสียงด่าทอพวกมึงไม่ต้องมายุ่งกูอยู่ของกูดีๆเสียงโต้อตอบพร้อมด่าทอกลับไปกลับมามีเสียงไม้กระทบพื้นเป็นระยะระยะค่ะมีทั้งขู่มีทั้งปลอบเออมึงจะลองดีใช่ไหมผีไม่อยู่สวนผีมายุ่งกับคน ร่างทรงเริ่มเสียงดังใช้ไม้ฟาดฟื้นฟ า, าดพื้นนะคะพร้อมบริกรรมคาถาเสียงโต้ตอบกันไปโต้ตอบกันมาจับใจความได้นะคะว่าผีตัวนี้เนี่ยติดตามนางสาวนกมาจากน้ําตกวังตะคร้คือเธอตายที่นั่นแล้วก็ถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียวเธอเห็นนางสาวนกไปเที่ยวกับแฟนหนุ่มแล้วก็ลงเล่นน้าด้วยกันระหว่างที่นกนั่งพักผ่อนใต้ต้นไม้บนโขดหินใกล้ ก, กันกับที่เธอเสียชีวิตเธอก็เลยติดตามมาด้วย ในระหว่างที่ทำพิธีที่เรียกว่าไล่ผีค่ะจนสามารถไล่ผีออกจากร่างของนางสาวนกได้ใช้เวลา 2-3 ถึงชั่วโมงค่ะแล้วก็ต้องมีการทำบุญอุทิศส่วนกวุศลถวายสังฆทานไปให้ผีสาวเพื่อให้เธอไปสู่สุคติแล้วก็ให้ได้ไปอยู่ในที่ที่เธอชอบนะคะหลังจากที่พานางนกไปทำพิธีพฤติกรรมของหญิงสาวก็กลับมาเป็นปกติสดใสาราเริง แต่สิ่งที่ไม่ปกติคือแฟนหนุ่มของเธอหายไปตั้งแต่เธอมีพฤติกรรมไม่ปกติในช่วงสองสเดือนก่อนคนรอบข้างคนรอบบ้านมักจะมองดูเธอด้วยสายตาแปลกๆ แ, แต่เธอก็ไม่ได้สนใจอะไรค่ะเวลาผ่านไปพอสมควรหญิงชรา ถ, ถึงเล่าเรื่องราวให้ลูกสาวฟังแล้วก็สอนลูกสาวนะค่ะว่าเวลาที่ไปไหนมาไหนให้ระวังตัวแล้วก็ให้ใส่พระที่คอเสมอ จากเหตุการณ์ครั้งนี้นางสาวนกต้องหยุดเรียนไปถึง1เทอมนะคะในช่วงปวช3ทํทำให้จบช้ากว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันไป1ปีเรื่องนี้เกิดจากนางสาวนกเป็นเพื่อนสนิทของผู้เล่าเรื่องนี้ค่ะตอนเรียนปวสของผู้ที่เขียนเรื่องนี้เอง โดยผู้ที่เขียนเรื่องนี้เป็นการเขียนจากคําบอกเล่าของนางสาวนกและก็แฟนหนุ่มที่ตอนหลังเนี่ยกลับมาดีกันเหมือนเดิมและสืบเนื่องจากเดือนที่ผ่านมามีโอกาสได้แวะเวียนไปที่น้ําตกวังตะไคร้แต่ไม่กล้าลงเล่นน้ําพร้อมห้ามปรามเด็กน้อยที่อยู่ในความปกครองด้วยนะคะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเจ้าของเรื่องเลยคุณผู้ฟังตัวของมีเองค่ะไปเที่ยวน้ําตกวังตะไคร้ก็ยังเกิดความคลั่นคร้ามเหมือนกันเพราะว่าไปพักอยู่ที่น้ําตกวังตะไคร้แต่จริงบรรยากาศสวยดีนะ ข้างในสวยดีนะแต่ว่าในหัวเนี่ยมันไป น, นึกเพลงเพลงหนึ่งของพี่จินตราพูนลาบนะคะที่บอกช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยคนกำลังใกล้ตายเนะะี่ยค่ะก็เลยไปเ ป, เปิดดู YouTube ไปเจอรายการของช่อง9รายการหนึ่งนะคะที่ทำสารคดีเกี่ยวกับขา่าวเก่าๆก็เลยเปิดดูโอ้โหโนะตั้งแต่ปี37เแล้วราก็เกิด29 29 30 31 32 33้4 35 36 37ก็9เก้าปีแล้วนะคะอายุ9ขวบพอดี ก็เลยไล่ย้อนหลังกลับไปดูนะคะยังไงก็ขอแสดงความเสียใจกับบรรดาญาติพี่น้องของผู้ที่เสียชีวิตด้วยนะคะและนี่ก็คือเรื่องทั้งหมดที่บีนำมาฝากคุณผู้ฟังประจำคลิปนี้กันค่ะ